พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่5โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่6พฤศจิกายน2557มีชื่อเรื่องว่าจุดเริ่มต้นของพุทธศาสนาวัาดให้เป็นวันที่6 พธศจิกายนพุทธศักราช2557วันนี้เป็นวันพระขึ้น15ค่ำเดือน12วันนี้เป็นวันเดือน12เพนเป็นวันลอยกระทงเมื่อเช้าพวกเราก็ได้ทำบุญแต่เย็นนี้พวกเราก็ได้ไหว้พระ ส่วนวันอุโบสถของพระปักตกพรุ่งนี้คงจะเป็นพรุ่งนี้เป็นวันอุโบสถแลมค่าหนึ่งเป็นวันอุโบสถของพระแต่วันนี้เป็นกิจกรรมของพวกเราได้ร่วมกันไหว้พระแล้วก็ได้ฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวปารบับสิ่งที่พวกเราควรจะ รับรู้รับทราบในภาคปฏิบัติเรื่องกิจตภาวนาแต่หลวงพ่อเองก็ได้พูดเรื่องทานเรื่องศีล เ, เรื่องการอยู่ร่าววการวางตัวรวกกาละเทศกาการสถานที่บุคคลก็มากพอจมควรแต่บางทีบางครั้งก็วกมาพูด มาแนะนำบอกกล่าวเรื่องจิตภาวนาเราจะเดินยังไงเรื่องภาวนาเป็นหัวใจเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเป็นหัวใจของพวกเราจะต้องเดินไปสู่มรรคผลเราจะเพียงแต่ให้ทานรักษาศีลอันนั้นก็คือเป็นพื้นฐานเป็นฐานของพวกเราที่จะเดินไปสู่มรรคผลผนิพพาน จะขาดเหล่านั้นก็ไม่ได้แต่เราจะไปยึดฐานอย่างเดียวไม่ไปไหนเลยก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะนั่นเรื่องฐานเรื่องศีลเออก็พวกเราก็ไม่ได้มองข้าม เ, ออเราก็ปฏิบัติกระทำตามที่พระธรรมคำสอนแต่ส่วนจิตตภาวนาเนี่ยตัวนามธรรมเรื่องจิตตภาวนาจุดนี้พวกเรา อย่าได้ขาดตกปกพ้องเพราะว่าเป็นหัวใจอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวพวกเราเนึกดู้สิว่าหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรต้นต่อแห่งพระธรรมคาสอนลต้นตอของพระพุทธศาสนาเนี่ยเกิดขึ้นมาได้อย่างไรนับหนึ่งตรงไหนพระพุทธศาสนาได้นับตึงตรงไหนที่ว่านับหนึ่ง ก็ น, นับหนึ่งตั้งแต่พระพุทธเจ้าได้ตัดรู้พระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคลนต้นโพวันเดือนหกแผ่นตอนหัวค่ําพระพุทธองค์ทําอย่างไรเนตัวนั้นแหะเป็นนับหนึ่งพระองค์นั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายให้ตรงดารงสติเฉพาะหน้ากําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้า หายใจออกรั่วาหายใจออกอันนี้แหละคือกอไก่หรือว่าเอหรือว่าหนึ่งอันนี้ก็คือวิธีการดำเนินที่จะไปสู่มรรคผลต่อไปภายภาคหน้าเนี่เมื่อพระองค์นั่งขัดสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในการกำหนดลมหายใจเข้าออก จากนั้นพระไทยใจของพระองค์ก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งอันนั้นคือผลนะะผลแห่งการกําหนดเทแรกก็เป็นเหตุก็คือนั่งสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกนี่นคือเหตุแห่งการกระทําจากนั้นผลแห่งการกระทํากําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกมีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจิตใจพระไทยของพระองค์ไม่ปุงฟุ้งไปทางอื่น ไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตในช่วงนั้นแต่ตามไม่จริงตอนที่นั่งแต่ทีแรกพระองค์ก็ได้บอกว่าพญามารพร้อมกับเสนามานนางตันหาราคาอารดีเข้ามายุ่ยวนพระองค์ช่วงนั้นเป็นช่วงที่ก่อนที่พระไทยใจของพระองค์จะรวมสงบลงเป็นหนึ่ง ไอ้ข้าพุองค์งคิดถึงอดีตพระไทยน้มน้าวไปทางอดีตที่ผ่านมาก็ ม, มีเรื่องกิเลสเรื่องกามกิเลสเรื่องพยาบาลพยามามัที่ที่จะมาลังควานะหลุบแ้กก็คือกิเลสนางตันหาลาคาอรอดีมา โยโยวนมาโยโ ย, วยวนแล้วมาแสดงกับกิริยาแต่พระองค์ก็ใช้สัจจะบา ร, รมีของพระองค์คือความจริงจังและจริงใจพระองค์ก็ตัดเด็ดขาดว่าคารวะเราไม่กลับคืนไปอีกแล้วพอแล้วด้วยสัจจะอธิษฐานชีวิตนี้เราเราเป็นอยู่นี้ถ้าไม่ได้ตัดรู้แล้วเราจะไม่เป็นอย่างอื่น เราเดินหน้าเท่านั้นอันนี้คือสัจจะที่พระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสในช่วงในคืนนั้นเหมือนกับเมื่อมีสัจจะแล้ว ก, เก็เหมือนกับน้าพระไทยเหมือนกับน้าแม่ธรณีบิดมวยผมจากนั้นก็คือน้าพระไทยใจขององค์เป็นหนึ่งเหมือนกับน้ำเป็นน้ำสัจจะตัวนี้กะทำให้ มานทั้งหลายผายแพ้เพราะพระ อ, องค์จริงจังจริงจังและจริงใจเด็ดเดี่ยวไม่เลอะแหละโลกเลขกโลเลในในช่วงนั้นพระ อ, องค์เด็ดเดี่ยวคือเดินหน้าเท่านั้นเพื่อมรักผลเพื่อจุดประสงค์ที่พระพุทธเจ้าจะได้ตัดรู้หรือความมุ่งมั่นของพระ อ, องค์จากนั้นพระไทยใจของพอองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งนี่นะนับหนึ่งแล้วผลออกมาแล้ว เมื่อพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณทัตนะเกิดฌานความรู้พิเศษขึ้นมาจะว่าปุเพนิวาสานุสติยานรละลึกชาติ้นหลังได้นี่แหละต่อไปกับจตูปปาตยานอาสาอาสาวัคยายานในที่สุดอันนี้พวกเราท่านทั้งหลายให้รู้เอาไว้ว่าหลักของพระพุทธศาสนาหรือหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า นับหนึ่งจากตรงไหนนับหนึ่งจากที่พระองค์ได้นั่งขัดสมาธิอันนั้นคือเริ่มต้นคือเหตุจากนั้นพระไทยใหญ่ของพระองค์รวมสงบลงอันนั้นเป็นผลเป็นผลขั้นที่หนึ่งจากนั้นพระองค์รวมสงบลงเป็นอีกจตุจตูตตปปาตยานการจุติการดูสัพพสัตทั้งหลายอันนั้นเป็นผลขั้นที่สอง จากนั้นพระองค์ดูพระไทยใจของพระองค์อีกใจดวงนี้มาจากไหนมาวกผุนเวียนมาเวียนไหวตายเกิดในวัฏสงสารไม่รู้รู้แล้วลูกหลอดมาจากไหนทําไมจึงมาทนทุกข์หรือมาได้รับบาปกรรมอย่างนี้เพราะเหตุไรอันนี้พระองค์ก็มองดออูพระใจของพระองค์มาจากอวิชชาคือความโง่คือตัวไม่รู้จากนั้นพระองค์ก็ชําระด้วยตปธรรมคือศีลสมาธิปัญญามักแปะ จากนั้นพระองค์ก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณยืนยันประกาศว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเราจะไม่มาเกิดอีกแล้วนี่แหละพระพุทธองค์ได้ตัดสรู้ที่โคลนต้นโพนได้สามสามอย่างเอ่อญาณเกิดญาณรัตนะสามปุเพนิวานสานานสติญาณจุตูปะปาตญาณอาสาวกไยญาณ อันนี้แหละคือจะนับหนึ่งหนึ่งสองสในเมื่อหนึ่งสองสาผ่านไปแล้วท่านยืนยันชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายแล้วในเมื่อตัดรู้แล้วท่านก็มองวิถีดําเนินชีวิตการอยู่ด้วยการมากหน้าหลายตามากคู่หลายคนนานาจิตต่างนานาทัศนะ์ผู้บรารมีอ่อนก็มีบรารมีแก่ก็มีบรารมีปานกลางก็มีเทเขามาจะปฏิบัติในธรรมคําสอนจะมาอยู่ใน สาสนาของพุทธพระพุทธองค์ได้วางกฎเกณฑ์วางระเบียบในการอยู่ร่วมกันของหมู่ของคณะจะว่าพุท ธ, ธบริษัทสี่จะวางแนวแถวอย่างไรพระองค์ก็เป็นรู้มาทั้งรอบรู้ทั้งคดีโลกและคดีธรรมรอบรู้ทั้งภายนอกทั้งภายในในวสยามภูรู้แจ้งโลกรู้หมดทุกอย่าง จะปฏิบัติยังไงจะวางแผนยังไงจะวางพระพุทธศาสน า, าอย่างไรให้กับผู้คนที่จะมานับถือเรื่มใส่จากนั้นพระองค์ก็ได้วางาศาสนาขึ้นมาตั้งแต่เริ่มแต่แรกเริ่มต้นจากนั้นก็บญญรรจัิเรื่องศีลเรื่องพินัยจากนั้นก็บรร ญ, ญัริเรื่องคารวะญาติโยมผู้ที่เข้ามานับถือเริ่มใส่ ปฏิบัติตนอย่างไรก่อนเป็นอันดับแรกจากนั้นพระองค์ก็เทศนาว่าการสําหรับญาติโยมควรปฏิบัติขนาดไหนจึงจะถูกต้องจึงจะเหมาะสมะกับคารวาะญาติโยมพระพุทธองค์ก็วางเรื่องเรื่องศีลห้าและก็พระไตรสารณคมยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นฐาณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็เรื่องศีลห้าถ้าผู้ใด จะเสียสละมากกว่านั้นก็คือศีลอุโบสถอุโบสถศีลอันนี้สำหรับฆราวาสญาณโยมก็เพียงพอรักษาเป็นบางครั้งบางคราวเว้นเสียแต่บางท่านมีจิตใจมุ่งมั่นมีไม่มีภาระที่เป็นฆราวาสควรจะปฏิบัติศีลอุโบสถประจำเลยก็มีหรืออย่างนั้นก็ออกบวชเป็นชีก็มีเรื่องออกมาปฏิบัติธรรม ถือในขัมมะก็มีอันนี้คือสำหรับฆราวาดญาติโยมแต่สำหรับพระสงฆ์สมัมมณเณรที่อายุยังไม่ครบยังเป็นเด็กอยู่จะรักษาศีลอุโบสถรักษาศีลสี่ิน227ดที่เดียวก็คงจะไม่รักษาบทไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์ได้เพราะยังย่อนความคิดอยู่ยังไม่ได้บรรลุนลินติภาวะคือยังไม่ถึง20 ท่านก็ให้รักษาศินสัมมาเนนคือรักษาศินสิคือศินของสัมมาเนนในเมื่อเราครบอายุ20รู้นิติภาวะเป็นผู้ใหญ่แล้วท่านก็ให้รักษาศินสองร้อี่สิบอันนี้คือศินของพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาจากนั้นก็เมื่อมีศินมีกฎมีระเบียบการอยู่ด้วยกันศรัทธาญาติโยมก็คือศินห้า สินแปดจำเนนก็คือสินสิบพระก็สินสองยีสองยก็ยังไม่เพียงพอท่านบัญญัติสินอภิษมาจาร์สินนอกพระปฏิโมกอีกอันนี้มากมายไม่รู้จะนับเท่าไหร่หลายร้อยหลายพันที่เป็นสินของพระสงฆ์แต่ว่าถึงจะมากมายอย่างไงก็ตามพระพุทธองค์ก็ย่ น, ย, นย่อลง สินคืออันเดียวนะ เ, เมื่อถามเข้าจริงๆสินทั้งหลายทั้งปวงคือสินหนึ่งคือสินเดียวนะเออทำไมเพราะพระสงฆ์ในครั้งพุทธกาลพอบวชเข้ามาแล้วให้รักษาสินสองรี่สิบพอได้ยินเท่านั้นแนหะท้อใจโอ้จะรักษาได้ยังไงถ้ารักษาไม่บริสุทธิ์ไม่บริบูรณ์รักษาไม่คุ้มหลงลืมบาปอากุศลจะเข้ามา สู่จิตใจของเราเราคงจะรักษาไม่ได้ศินสองรี่สิบหรือศินอภิสมาจารจากนั้นท่านก็จะจะลาสิกขาเลยทะนี่ยอมพระสงฆ์ก็ได้นําพระองค์นั้นไปกราบทูลพระพุทธเจา้าไปกราบพระพุทธเจา้าเพราะว่าองค์ไหนก็ไม่กล้าไม่กล้าตัดสินใจว่าจะพูดยัยงไงให้พระองค์นี้เพราะเขาท้อใจที่จะรักษาศินสองรี่สิบและก็สินอภิสมาจารย์อีก เขาไม่สามารถจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เพราะอาจมีการหลงลืมไม่รู้อีกต่างหากที่จะศึกษาให้รู้นั่นก็ใช้เวลาอีกนานเมื่อเราทำผิดไปแล้วเราทานอาหารของชาวบ้านที่เขาให้ด้วยศรัทธาแล้วก็มรารักษาศีลไม่บริสุทธิ์บาปกรรมทอนนั้นงคงจะตกมาหาเราอย่างมหันต์บนนั้น เราคงจะรักษาศีลไม่ได้คงจะออกไปเป็นคราวาดรักษาศีลห้าแล้วก็ให้ทานรักษาศีลบาเพ็ญทางคราวาดจะดีกว่าคงจะไม่เป็นบาปป้อยอะไรเพราะเราไม่ได้เลี้ยงชีวิตเนื่องด้วยผู้อื่นแต่ไม่ก่อนเขาก็คิดเหมือนกันนะพระในครั้งพุทธกาลแต่ในพระสงฆ์ที่เป็นรุ่นพี่ที่เป็นครูบาอาจารย์เอเขาก็คิดถูกเนี่ย เมื่อเขาคิดอย่างนี้เราจะมีวิธีการพูดอย่างไรจะแนะนําเขานะ่ยพระสงฆ์ก็ไม่กล้าตัดสินใจเพราะพุทธศาสนาไม่ใช่ของพระสงฆ์เป็น พ, พุทธศาสนาเป็นของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่พระองค์ยังทรงพระชนอยู่เป็นผู้ชี้ขาดเป็นผู้บอกกล่าวหรือชี้ขาดแต่ละเรื่องแต่ละคดีความแต่ละเรื่องแนวความคิดของแต่ละคนตรงไหนที่พระสงฆ์ตอบไม่ได้ก็ต้องเข้าไปกราบพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็ถามว่าเธอเป็นอย่างไงพระสงฆ์พระองค์นั้นก็เล่าให้ฟังว่าข้าพระองค์ต้องการบุญกุศลแต่พอมาเจอเรื่องศีลเรื่องวิทยในข้าพระองค์กลัวบาปข้าพระองค์คงจะลาสิกขาไปบาเพ็ญทางฆราวาสคงจะไม่บาปเพราะกินของตัวเองใช้ของตัวเองไม่ได้เลี้ยงชีวิตกับชาวบ้านเขา พระองค์บอกว่าเธอภิกษุเธอรักษาอันหนึ่งได้ไหมข้อหนึ่งศินข้อเดียว เ, เราจะให้เธอรักษาศินข้อเดียวรักษาศินอันหนึ่งข้อเดียวนะ่ะได้ไหมได้พระเจ้าค่ะถ้าว่าอันรักษาอันเดียวอันเดียวนะ่ะถึงจะยากขนาดไหนก็เถอะข้าพระองค์รักรักษาได้เพราะถึงจะยากก็คืออันเดียวรักษาข้อหนึ่งเออเอาทานอย่างนั้น เธอไม่ต้องรักษาศีลสองยี่บเจดหรือศีลอภิจมาจาร์ที่มากมายเธอให้รักษาใจก็แล้วกันนะถ้าสิ่งไหนที่มันผิดสิ่งไหนที่มันไม่ดีเธออย่าคิดอในเมื่อไม่คิดแล้วก็การกระทําจะเกิดมาขึ้นมาได้อย่างไรการพูดก็เกิดขึ้นมาได้อย่างไรในเมื่อเธอไม่คิดไปในทางอากุศล เพราะนั้นให้เธอคิดอยู่ในกนุศลคือเห็นอนิจจังแพ่งมองอยู่ในอนิจจังเห็นกายยาคตาสติของอตัวเองอยู่ตลอดการเคลื่อนไหวของกายให้ใจอยู่ในกายตลอดเวลาการเคลื่อนไหวที่ไหนไปยังไงให้มีสติสัมปชัญญะในกายอย่าไปคิดในทางอากุศลในบาปอากุศลคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรคิด โลคโกรธหลงราคะโทสะโมหะอย่าไปคิดให้ดูใจต น, ตนเองอย่างเดียวได้ไหมพระ อ, อนันต์บอกว่าได้ออถึงจะยากก็รักษาได้เพราะอันเดียวนะจากนั้นพระ อ, อนั้นก็รักษาใจอย่างเดียวเทนะ่านั้นไม่คิดไปในทางอากุศลไม่คิดไปในทางบาปไปในไม่คิดไปในทางชั่ว เห็นแต่อเนจจังคือของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตามิใช่ตัวตนของเราไม่นานพระองค์นั้นก็ได้สาเร็จเป็นปรรรพระอรหันต์เพราะท่านรักษาใจนี่แหละสรุปแล้วก็คือความเป็นมาของพุทธะที่พวกเราได้ศึกษาเรียนรู้แล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าเพราะพุทธศาสนาสอนใจเป็นใหญ่ใจเป็นหั ว, ห, วหน้าใจเป็นหลักจากนั้นพระองค์คนเนี่ย วางกฎรละเบียบให้พระสงฆ์ปฏิบัติคือสินศรัทธาย่อดยมก็คือสินห้าสินแปดสมเรียนสินสิบสองร้อยยี่สิบเ7็ดแต่ย่นย่อลงไปแล้วสินทุกตัวสินทุกข้อรวม ล, ลงมาอยู่ที่ใจให้รักษาใจอย่างเดียวเท่านั้นะพอไม่ต้องรักษาที่อื่นนี่แหละสินของพระพุทธเจ้า เพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเรื่องศีลไม่ต้องวิตกกงังวลให้รักษาใจอย่างเดียวต่างอย่างที่พระพุทธเจ้าได้วางได้ตัดได้วางกฎเกณฑ์เอาไว้จากนั้นเราก็เนี่ยเรื่องสมาธิทนี้สมาธิเราก็ต้องมองตามแนวแถวของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสรู้ที่โคลนต้นโพนั้นท่านทำอย่างไรท่านนั่งขัจสมาธิกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออก มีสติสัมปะชัญญะในลมในลมหายใจเข้าออกหายใจเข้ารู้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกไม่ให้จิตของเราไปที่อื่นไม่ให้คิดถึงอดีตที่ผ่านมาไม่ให้คิดถึงอนาคตที่ยังไม่ถึงให้ใจอยู่ในปัจจุบันขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้เท่านัดในเมื่อใจของเราอยู่ในปัจจุบันใจของเราก็จะรวมเน่งสงบ ไม่ปุงไม่ฟุง้งไม่สานจากนั้นเมื่อใจของเราสรวมสงบเป็นหนึ่งเป็นพื้นฐานแล้วจัดใจจา ก, จา ก, จากนั้นใจของเราก็จะถอนออกจากสมาธิาแต่บางคนถ้าหากว่าไม่ได้รับการอบรมจากครูบาอาจารย์พอนั่งสมาธิจิตใจก็จะชอบในสมาธิติดในสมาธิไม่อยากจะออกทางวิปัสสนาเพราะเหตุไยเพราะ เราเข้าไปอยู่ในสมาธิมันร่มมันมีความสุขจริงจริงสุขอย่างลึกซึ้งเพราะมันไม่ได้คิดปรุงพ้งไปทางอื่นเ อ, อสมกับคำธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านตรัสไว้ว่านาถิสันติปรังสุขขังความสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีนี่แหละจิตใจของเราถ้าถึงทำจิตใจให้สงบแล้วใจของเราจะรวมสงบมีความสุข ในการเป็นในการนั่งสมาธิแต่ถึงยังไงสมาธิก็มีกฎหรือว่ามีเรื่องราวที่ถอนออกมาได้หมดกำลังของมันมันก็ถอนออกมาเป็นคณิกะเป็นอุปยาระเป็นคณิกะแล้วก็เป็นจิตธรรมดาจากนั้นก็เมื่อเราจะเข้าอีกกำนดเ์เกเข้าเป็นสมาธิจิตใจรวมสงบแต่ถึงยังไงผลแห่งการ แห่งความสงบสงบของใจนั้นทำให้จิตใจของเราไม่ปรุงไม่ฟุง้งไม่ซ่านไม่ซ่านมันเป็นอยู่นมนานทีเดียวแต่ละวัดบางทีสงบครั้งหนึ่งจิตใจสงบเพียงครั้งเดียววันวันนี้จิตใจสงบถึงขั้นอัปปนาสมาธิถึงเราจะเข้าสมาธิไม่ได้ตั้งสามสีห้าวันและเป็นอาทิตย์ใจของเราก็ยังมีความสุขลึกๆมีเหตุมีผลในเรื่องนั้ น, น, น มีความสุขดูในการผลแห่งสมาธิที่เราทําให้จิตใจให้สงบในเมื่อมีเวลาเราก็อยากจะให้มันทําอีกแต่บางครั้งที่เราฝึกหัดใหม่ๆเมื่อความอยากเกิดขึ้นใจจะไม่เป็นสมาธิเพราะอะเพราะความอยากล้ําหน้าไปก่อนพอนั่งเข้าไปโอ้ข่าวก่อนมันเป็นอย่างนี้นะปี น, นี้คงจะ เ, เป็นอย่างนี้มันจะสงบแล้วมันจะคงผลในส่วนมันก็ถอนขึ้นมาอีกเพราะเหตุหลายเพราะเรา มีความอยากนำหน้าล้ำหน้าไปเพราะท่านท่านเชืว่าในขณะที่นั่งสมาธิอย่าไปตั้งความอยากมีแต่หาเหตุให้เพียงพอตั้งเหตุให้เพียงพอผลมันเกิดมาเองในขณะที่นั่งสมาธินั้นเนี่แหละเราต้องเอาเหตุกําหนดลมหายใจอย่าให้มันคิดไปทางอื่นให้มันอยู่กับลมหายใจให้มีสติสัมปชัญญะให้แน่วแน่ในลมหายใจเข้าออก จากนั้นผลมันก็จะมามาเองมันแสดงผลเองเนี่ยละอันนี้ก็ขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านเมื่อจิตใจสงบแล้วพอสมควรแล้วเราจะเดินอย่างไรนั่นละพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าบางคนพอนั่งสมาธิไปแล้วมุ่งหวังว่ามันจะออกไปทางวิปัสสนาพอนั่งเท่าไรก็ถึงความสงบจิตใจนิ่งมีความสุขเย็นสบาย ก็คิดว่ามันจะออกเป็นวิปัสนามันก็ไม่ออกนั่งเท่าไหร่มันก็ไม่ออ ก, ก, ออกแล้วจะทำยังไงแต่ถ้าหาว่าบางท่านพวกที่คิดปัจพิน ญ, ญานะในครั้งพุทธกาลหรื ว, ว่าในครั้งนี้ก็เถอะพวกรู้ได้เร็วพอนั่งสมาธิจิตใจเข้าสู่ความสงบเป็นพื้นฐานแล้วมันจะออกไปโดยอัตโนมัติพิจารณาทางวิปัสนาคือด้านด้านปัญญา เห็นรู้แจ้งเห็นจินทั้งด้านปัญญาเห็นอนัญจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะปฏิกูลเห็นร่างกายของเราในร่างกองกายของเรามีอะไรบ้างมันจะเห็นเห็นในในใรู้รอบขอบชิดมันจะวางพวกลงไปเหมือนให้เห็นร่างกายอะไเหมือนกับอสุภะปฏิกูลเห็นดินน้ำลมไฟเห็นกระดูกเห็นอะไรมันหลงอยู่ในดินจากนั้นใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นโอ้ ร่างกายของเราเนี่ยเป็นขนาดนี้เชี่ยวเหลอแต่ก่อนเราทําไมไม่เห็นอันนี้แหละว่าวิปัสสนาบางท่านที่รู้ได้เร็วด้วยว่าคิบ ป, ปะพิญญาพวกรู้ได้เร็วแต่โดยมากมันทันทาพิญญาทันทาพิญญานี่เมื่อจิตใจของเราเข้าสู่ความสงบแล้วจะให้มันออกเป็นรู้ได้ได้ด้วยตัวเองไม่มียากมากเมื่อจิตใจของเราถอนออกมาจากสมาธิเป็นจิต อุปจาระธวัจิตคณิกะอุปจาระธวจิตธรรมดาให้เรากําหนดให้ให้กําหนดดูดูร่างกายของตนเองแต่เข้าอยากนะเพราะมันจิตใจมันคุกเข้าสู่ความสงบผ่านมาแล้วนะ่ะโดยมากมันจะไม่อยากจะพิจารณามันจะกระโดดเข้าไปหาความสงบอยู่ล่ําไปฮ มันจะเข้าสู่ความสงบเมื่อความสงบมันสบายมันมีความสุขมันจะเข้าแต่ความสงบเพราะนั้นเมื่อมันเป็นลักษณะนี้นเมื่อเราได้รับคำแนะนำจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าให้มันสงบนะอย่าเข้าไปเพียงพอแล้วสงบตัวนั้นน่ะมันมิจะเข้าเป็นนอนอยู่เฉยเยไม่ได้ไม่เกิดประโยชน์พิจารณาออกมาบางคับออกมาให้มาเห็นร่างกายของตนเอง ร่างกายของเรามีอะไรบ้างเกษาผมโลมาโคดหน้าขาเล็บทันตาฟันแต่โจหนังมังสังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจในร่างกายของเรามีส่วนไหนก็มีลำไส้มีตับมีปอดมีอะไรออพอลุ่มพลังไปหมดในร่างกายและอีกสักวันน่งร่างกายอันนี้ไม่ใช่ว่ามันจะอยู่ชั่วฟ้าตายไม่เป็นไม่ใช่อีกสักวันหนึ่งนะไม่รู้ว่าวันไหนแหละ เ, เมื่อมันตายไปแล้วมันก็จง หมดสภาพเอาไปเผาไฟทิ้งเอเอาไปฝังดินเอาไปที่ไหนอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นเราเกิดมาถึงขนาดนี้อยายุใหญ่ขนาดนี้อายุถึงขนาดนี้แล้วเอไม่เคยเห็นคนตายเนี่ยคงจะไม่มีมีตายมากมายหลายหลคนที่เราไปในงานศพของเขาเราละคนหนึ่งนะ่ยจะไม่ตายเหรอในเมื่อเราพิจารณาอยู่อย่างนี้เห็นร่างกายของตนเองเปรียบเทียบร่างกายของคนอื่น ในเมื่อเราเห็นร่างกายเราเห็นร่างกายคนอื่นร่างกายของเราก็เป็นสภาพอย่างนั้นเหมือนกันนี่แหละอันนี้จิตใจของเราเริ่มออกทางวิปัสสนาแล้วนะท่นี่ใกล้ๆว่าใช้ความคิดพิจารณากันกรองไตรตรองเหตุและผลในการเป็นอยู่ของร่างกายร่างกายมันมีจุดจบของมันนะอีกสักวันหนึ่งนะใจนะอย่าไปชะล่าใจนะตายแน่นะเป็นอสุภะนะเป็นปฏิกูลนะอย่างเราที่เห็น ที่เขาเผาไฟไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่หนจริงไหมอันนี้เมื่อเรามาพิจารณาถึงร่างกายของเราเรารู้แจง้งเห็นจริงว่าร่างกายนี่มันไม่ใช่ของจิรังถาวรเมื่อเราพิจารณาหลายพิจารณาหลายครั้งต่อหลายหนเพราะจิตใจของเราผ่านความสงบมาแล้วใจของเราผ่านความสงบจิตใจผ่านทัความความเป็นหนึ่งมาแล้วมันแน่วแน่มันมั่นคงมันเที่ยงตรง มันพิจารณาอะไรมันจับเห็นแ้วก็พิจารณาด้วยความจริงจังและจริงใจไม่เคลื่อนไม่คลาดเพราะอะไรเพราะจิตใจของเราเป็นหนึ่งผ่านความสงบเมื่อเห็นพิจารณาทางวิปัสสนาก็เห็นร่างกายของตงัเองชัดเจนไม่เป็นอย่างอื่นจากนั้นเมื่อเรารู้เห็นตามความเป็นจริงแล้วไม่คลายมากก็ต้องคลายน้อยไม่เบื่อมากก็ต้องเบื่อน้อยเห็นตามความเป็นจริงจากนั้นนิพพิทา คือความเบื่อหน่ายเห็นร่างกายของตนเองเกิดความเบื่อหน่ายจิตนั้นจิตนั้นเมื่อเห็นความเบื่อหน่ายแล้วคลายไม่ยึดมั่นถือมั่นร่างกายของเราหนอเป็นเพียงแค่นี้หนออีกสักวันหนึ่งเราจะต้องไปสู่จุดจบของมันเราจะไปไว้ใจมันได้อย่างไรร่างกายเนี่ยจากนั้นใจของเราก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นปล่อยวางที่ใจในเมื่อปล่อยวางที่ใจใจก็หลุดพ้น จากกิเลสคือราคะโทสะโมหะที่ไม่ไม่ยึดมั่นถือมั่นใจของเราก็บริสุทธิ์หลุดพ้นจากเครื่องพันธนาการคือกิเลสราคะโทสะโมหะโลภโกรธหลงออกจากใจของเรานี่ยจะลบแล้วก็คือทำคําสอนของพระพุทธศาสนาธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าให้ท่านเพ่งมองเข้าหาตัวผู้รู้คือใจแต่อันดับแรก ก็อย่างที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระพุทธเจ้าได้ตัดรูนะ้นับหนึ่งที่ตรงไหนที่โคลนต้นโพนิ่งทั้งสมาธิอันนั้นคือเหตุผลก็คือจิตพระฐายใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเกิดยานรัตนะเกิดชาติจากนั้นขั้นที่3ก็คือนะอาสาวะกไก ย, ยานที่ตัดรู้พระอนุตตรสัมมาสุสมัสมโพธิญาณยืนยันได้ว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย จากนั้นทางก็ได้บัญญัติเรื่องศีลและวินยัยการเป็นอยู่ของหมู่คณะอธิบายให้ฝังทุกกลุ่มทุกหมู่ทุกคณะจากนั้นพวกเราก็ได้ฟังได้ศึกษาจากนั้นพระวกก็สอนวิธีการสําหรับภาษาวกทั้งหลายควรปฏิบัติตนอย่างไรควรจะทําสมาธิอย่างไรควรจะเดินปัญญาอย่างไรจิตใจของเราจึงจะถึงมรรคถึงผล อย่างที่หลวงพ่อได้พูดสรุปแล้วก็คือเข้ามาหาตัวผู้รู้คือใจเมื่อใจของเราเห็นดูพิจารณ า, าร่างกายเห็นอนิจังทุกขังอนัตตาจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายไม่ยึดมั่นถือมั่นรู้แจ้งเห็นจริงใจของเราก็จะพ้นจากอาสวะกิเลสเพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาติยมทุกๆคนนะ้าเนี่ยแหละ การภาวนาการปฏิบัติของพวกเราโลกมันเป็นอยู่อย่างนี้โลกวัตะสงสารไม่มีใครเหนือใครไม่มีใครแพ้ใครชนะไล่กันไปเรื่อยๆผู้เกิดก่อนกับตายก่อนผู้เกิดที่หลังก็ตายที่หลังเพลเพล้ยผู้เกิดที่หลังอย่างแซงคิวเขาอีกต่างหากก็มีตังเยอะแยะอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นแต่เอาเถอะแต่ยังไงก็ไม่มีใครที่จะหลุดพ้นไปได้ที่จะไม่ เปียนไหวาตายเกิดเพราะฉะนั้นถึงยังไงก็ตามพวกเราถึงจะเกิดก็ให้มันเกิดน้อยที่สุดให้สั้นที่สุดเพราะใหะไหรเพราะเราได้พบพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะองค์ได้สอนไว้แล้วบอกไว้แล้วก็หอให้พวกเราตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตามนะแนวแถวของพุทธเราจะย่นหนทางที่เราจะเดินไปสู่มรรคสู่ผลนันสั้นเข้านะถ้าเราไม่เดินตามก็ยังว่านะ เราจะต้องเวียนไหวตายกเกิดไปร้กี่หมื่นกี่แสนชาตินะแต่ถ้าเดินตามแนวแถวพุทธะเนี่ยอาจจะย่นถ้ามันจะถึงพันชาติถึงหมื่นชาติเราอาจจะเพียงร้อยชาติเดินไปเพเผลอเราอาจจะพ้นทุกหนึ่ชาตินี้จบไปเลยพระนเรศคอยให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ตัดกิเลสตัดภพตัดชาติของเราให้สั้นเข้า เกิดพบใดชาติไดก็อย่างที่พวกเราทันทั้งหลายเห็นอันไหนคือความสุขที่แท้จริงของมนุษย์อันไหนคือความสุขของมนุษย์ที่พึงปรารถนาที่ต้องการคืออะไรค้นคิดดูสิมันไม่มีนะถ้าค้นคิดดูให้ดีแล้วมันหาความสุขไม่ได้ในมวลมนุษย์ชาติมีแต่เรื่องสุขจอมปลอมอย่างนั้นเศกสันอุตริขึ้นมาอย่างนั้นล่ะ ผลที่สุดก็นะเป็นความสุขที่ไม่จิรังถาวรไม่ไม่มีความสุขที่แท้จริงเพราะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกทุกท่านปฏิบัติเพื่อมักเพื่อผลเพื่อมักผลนิพพานนะการกล่าวสำ ม, มทูทธนิยกถาวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาขอยุตินะต่อไปในเปิด MP3 สา ให้คณะจตหายาดโยมฟังหนึ่งดูซิเพื่อการศึกษาเอาพวกเรานั่งสมาธิระนาที่นี่นะ